มีละมิทัศสัมมุ่งเหาหานอนความง่วงนอนความเหานอ น, นถือว่าเป็นนิวรณ์าำหนึ่งชนิดหนึ่งคือร่างกายอยากพักผ่อนร่างกายอยากพักผ่กนาานอนมันก็เลยมุวงเหาเหานอนเมื่อที่ร่างกายอยากพักผ่อนแต่ด้วยเหตุที่ว่าจิตเราก่อนแอเนี่ย จิตมันก็ปล่อยทับถมไปด้วยจิตมันก็ปล่อยทับถมไปด้วยเดี๋ยวสหรับผู้ตั้งใจภาวนานั้นน่ยแหละมื่อร่างกายต้องการพักผ่อนเราก็ปล่อยร่างกายพักผ่อนไปแต่ จ, จิตเรายังกําหนดอยู่เรายังภาวนาอยู่คือร่างกายอย า, า, นานพักผ่อนแต่จิตมากําหนดมาภาวนานมากํากับดูแลอยู่มันก็อยู่ได้ หนนับัอันนี้เรื่องของกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตอยากพักผ่อนด้วยร่างกายอยากก็อยากพักผ่อนจิตก็อยากพักผ่อนมันก็หลับไปเลยจิตอยกพักผนมันหลับไปเลยจิตที่ปราบความเพียนหนักมันจะไม่หลับจิตจะไม่หลับบางทีเราก็ทำความสงบอยู่เฉพาะจิตมันไม่ขาดความรู้สึก วิจิตไม่หลับมีสติกำกับอยู่มีสัมผชัญยะกำกับอยู่มีความสงบอยู่จิดไม่หลับมีสติเรียนชัดอยู่มีสัมผชันย์เด่นชัดอ ย, ย, ด ย, อยู่มันมีจิตสว่างสวยอยู่มันไม่หลับบางครั้งเรานั่งธรรมทาน <c oughs> ก็ทำใา้ร่างกายหายหายเหน็ดเหนื่อยหายอยากพักผ่อนได้กัน เนื่นองจากว่ามันสักงปนไปด้วยตัวนิวรของมันหรือบางครั้งเราเอนกายหรือนอ น, น, อนราบเข้าไปเนี่ยกำหนดจดจ่ออยู่ท้องความรู้สึกอยู่ไม่ปล่อยความรู้สึกสัก5นาที10นาทีกรู้สึกจมจมขึ้นมารู้สึกจมได้แต่เราคอาใจทราบภาวะของกายเราทราบภาวะของจิตเนี่ย มันจะสามารถทำให้เราช่วยแก้ความง่วงเหงาเผลอนอนได้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายอยากพักผ่นเนี่ยทั้งสมัยอย่างเราอยู่ทั้งคืนเนี่ยเราอยู่ทั้งคืนหรือไม่เราอยู่สักครึ่งคืนเนี่ยเนื่องจากว่าเลยเวลาที่เราเคยพักผ่นเนี่ยบาทีมันก็นง่วงนอน ร่างกายไม่ได้พักผ่อนแคอยากหลับอยากนอนไปแต่ถ้าเราปาราทจากความเพียรแล้วก็ปล่อยให้กายพักผ่อนไปโดยเฉพาะการทําจิตให้ได้รับความสงบมันเป็นการทําให้กายได้รับความพัผ่อนไปจิตก็ตื่นอยู่จิตร้ออยู่จิตตื่นอยู่จิตสงบอยู่โดยที่จิตไม่ทิ้งความรู้สึกก็ว่าไม่ทิ้งความรู้สึกก็คือจิตไม่หลับจิตไม่หลับ ก็สามารถกินบริการไปได้ภาวนาไปได้หลับไปสักระยะหนึ่งแล้ลร่างกายพักผ่นได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งมก็สามารถอยู่ได้อยู่ได้ตลอดทั้งคืนด้วยเหตุที่เราด้วยเหตุที่จิตเราเละเอียดสติเราดีสัมผชัญญาเราดีมันจะไม่ขาดนะมันจะไม่ขาดความรู้สึกมันไม่ทิ้งความรู้สึก มันมีความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตนะรู้สึกอยู่กับงานที่เราทำนั่นแหละเราคำาังให้อยู่กับความสงบมันก็มีความตื่นอยู่กับกับคำบริกรรมที่เรากำลังกำลัภาวนาอยู่นั่นแหละหรือมาเราทิ้งคำบริกรรมมันก็ไปที่ความรู้สึกไม่ที่ความรู้สึ ก, ม, ม, สกมันก็สงบอยู่กับความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตนั่นแหละ มกิมีความสงบมีความละเอียดพอสมควรไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ร่างกายได้ความผ่อนนร่างกายได้รับความผ่อนผ่อมันก็หายหายงนอนได้อยู่ได้อย่กคืนอยู่ได้อยู่ได้เป็นช่วงเนช่วงเนช่วงอยู่ได้ลตลอดางช่วงก็ได้รับความสงบไป้างช่งก็หมุนอยู่กับการที่กิจมาสอดมาแทรกมาพริกมา พิจารณามาพินี้มาพิจารณางานที่เราทำอย่างนี้นมีความพันกันกับจิตกับอารมณ์ที่มันพันกันเราจะำอกำหนดอะไรเราจะปล่อยจิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์มณันเดียวละเอียดมันอยู่ได้ก็ไม่เราตื่นอยู่แล้มาพิจารณาพิจารณาเรื่องาเรื่อขันของเรา พิจารณาต่อสู้กันอยู่กับอารมณ์ที่มันมาแทรกจิตเนี่ยแล้วก็สามารถพิจารณาได้บองที่เราพิจารณาไประบูไปดูดูไปพิจารณาไปมันเกิดอารมณ์รุนแรงอย่างไรอย่างนี้ขึ้นมาเราก็สามารถจะเป็นเครื่องปลุกให้จิตตื่นฟันแล้วก็ย้อนย้อนย้ยอนยอนยยพิจารณาได้งานที่เด่นชัดทำต่อไปที่อย่างอารมณ์ท้อสามเกิดขึ้นมา อารมณ์ราคะมันเกิด อ, อารมณ์โทสา ม, มเกิดมันเป็นอารมณ์ที่มันตุกจิตยังแทงมันก็ได้งานจาะได้งานกับพิจารณา ย, ย้อนตอนหน้าตอนหลังพลิกหน้าพลิกหลังพิกดูไปคลิกดูมาย้อนไปย้อนมางานงานข้างในงานข้างในต้าหากเราไม่ไม่หัดทํามันก็จะไม่ชํานาญ การหัดทำก็คือการหัดพิจารณาเนี่ยการหัดพิจารณาก็คือการหัดใช้จิตการหัดพิจารณาคือการหัดใช้จิตแต่ถ้าเราใช้จิตโดยที่เราไม่มีสมาธิเนี่ยมันลาบากนะโอกาสที่มันจะเข้ากับหลักธรรมชาติมันเข้ากันยากมันไม่มีกําลังอะไรช่วยดึงดูดเช่นอย่างปีติคือความอิ่มเบื่อของจิตเนี่ยมันเป็นพลังหนึ่งนะช่วยดึงดูด ช่วยดึงตัวให้จิตเนี่ยอยู่กับหน้ ก, กับตัวความเบือ่อความอิ่มเออบิ่ของจิตความอิ่มเออบิ่ของกายความอิ่มเออบิ่ของจิตมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของจิตที่ทําให้จิตเราอยู่มันไม่โดดไม่นิ่นไม่หิวไปตามอารมณ์ต่างๆที่จะคอยสวมรอยเข้ามาไปยุ่วยุ่จิตให้จิตกาเริบพิ้งไปตามมัน นั่นคว่าเรามีฐานอยู่เรามีที่อยู่มีอาหารค่อยดูดตื่มอยมมมมอมมู่คือความสงบของจิตความเปิกอิ่มของจิตที่ท่านเรียกว่าติคือความอิ่มเปิดความอิ่มของจิตจิตอิ่มนะมบางทีจิตอิ่มเหมือนตะไคร่นีน่นอิ่มอยู่ พอเราย้อนมาที่กายมันก็กายหิวกายไม่หิวกายอิ่มเต็มเลยไอความอิ่มนะั้นมันก็มีความสุขมันมีความสุขมันเต็มมันอิ่มเพราะปล่อยมันก็ไม่ไปกิมก็ไม่ไป เราไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความปีติไม่ได้รับความเบิกยิเนเราเนึกนๆอย่างเดียวเนี่ยคิดคิดคิ ด, คดอะอย่างเดียวนะ่ะวันที่สัญญ า, ามันาสวกรอยสวกรอยพักออกไปแล้วก็วจะรู้สึกตัวกัไปถึงไหนรสวมรอยครับสวมรอยครับไปถึงไหนกันแล้นนัเรามาตรงนี้แบบกูบาจันสอนเนี่ย มันจะมีพืชมีบาตรมีฐานได้คล้ายๆก็ว่าเราไม่จับเสือมือเปล่าเพราะงั้นเด็กเราพยายามปลุกปล้ากับอารมณ์ภายในจิตที่กรเลมันสอดแทรกเข้ามาแล้วก็ตามต้อนกันไปตามต้อนกันมาตามต้อนกันไปตามต้อนกันมามันเหมือนกับว่ามันไม่มีพลังแห่งความสงบค่อยช่วยเหลือมันไม่มีพลังแห่งความสงบคอยห น, นุนค่อยช่วยเหลือค่อยพยุงจิต มันเหมือนกับว่ามือเปล่าเหมือนว่าจับเสือมือเปล่า น, น, นี้เป็นข้อเรียบเทียบโอกาสที่จะปลุกปล้ำกับกิเลสโอกาสที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเรี่นที่จะชัดเข้ามาให้เรามั่นใจว่าเราเข้าสู่อารมณ์ที่ละเอียดได้มันก็ยากกันเพราะฉะนั้นเราไปนึกไปคิดว่าออไม่ต้องมีสมาธิละ พิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยบางทีมันก็เตลิดเปิดตปิได้เหมือนกันที่ครูบาอาจานั้ท่านวางเอาไว้เนี่ยดีดีแล้วเหมาะแล้วเหมาะสมแลอาศัยคุณสมบัติของจิตความสงบเนี่ยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตนะสมาธิเราก็เราไปดูที่ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้สมาธิขั้นหขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ ขั้นรูปประฌานก็นตามขั้นอรูปประฌานก็นตามอันนั้นคือคุณสมบัติของจิตที่สามารถเข้าสู่ความละเอียดได้สมาธิเลย ว, ว่าความแนบแน่นของจิตความตั้งมั่นของจิตสมาธินั่นนะไม่ใช่ว่าสมาธิคือความไม่นึกไม่คิดไม่อะไรเลย ด้วยเหตุที่จิตมันตั้งมั่นจิตมันแนบแน่นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยไม่ใช้คำบริกรรมไม่ใช้อะไรมัดอยู่จิตมันก็อยู่จิตไม่ไปไม่ไปเนื่องจาว่ามันมีฐานอยู่มันมีฐานอยู่แต่ถ้าเราไปทำงานโดยที่เราไม่มีฐานไม่มีพื้นไม่มีฐานมันลำบากา น, นะนะครูอาจารย์ ท, ท, ท, ท่านท่านท่านท่านเน้นอยู่เสมอเย เพราะว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยาว่าสมาธิสัมมาสมาธินะ่คือจิตตั้งมัน่นไม่ไม่ใช่สมาธิในองค์ฌานน ะ, นะแต่ถ้าเป็นสมาธิในองค์ฌานเราเข้าฌานเนี่ยมันก็เป็นการเข้าไปเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นการสงบระงับดับไปกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นการพักจิต เป็นการเข้าไปทักจิตไม่ว่าจะเป็นชาติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันก็ตามมันเป็นการขับการเข้าไปตักจิตอันนี้มันก็เป็นเหตุช่วยระงับดับความรู้สึกดับความโรดดิ้นของจิตดับพักการทํางานของจิตเนี่ยเป็นเหตุเข้าไปสงบระงับมันก็เป็นเหตุให้ได้กําลังอย่างหนึ่งกันแต่เข้า่าสมาธิความแน่นแน่นความตั้งมั่น ถึงเราปล่อยก็ไม่ไปเพราะามันตั้งมัน่นมันแนบแนบอยู่ในห้องอบเนี่ยเราจะน้อมนึกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึง่งก็สามารถจะน้อมนึกพิจารณาได้ได้เนื่จาว่าจิตเรามีความสงบจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะจิตมีอาตัปปัตที่เราเรียกว่าสติมาสัมปชาโนอาตาปีทั้งสามอย่างนี้รวมเป็นรวมเป็นสัมมาสมาธิ สมาสมาธิคือสมาธิชอบสามารถอมมาพิจารณาอมมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาได้เพื่อให้เกิดญาณทัศนะได้เนี่ยเพราะฉะั้ใครจะชอบใจพิจารณานึกนเอานึกเอาพิจารณาเอาพิจารณาเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีภู้แผสมาธิลองดูสิลองดูใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาปัญญาเลย ให้ปัญญาเลยก็ต้องมีต้องมีงมสมาธิทับกับสับเปลี่ยนกันไปบางคราวเราก็เจริญสมาธิไปบางคราวเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาไปพิจรารณาเยอะมากเหมือนอย่างที่หลวงตาพาูดว่าปัญญา อ, อบรมสมาธิใช้ความนึกใช้ความคิดใช้ความพิามพจรารณายมากแต่บางการบางคราวก็เข้าสมาธิบางการก็คราวใช้ปัญญาพิจรารณา ตัยเหตุที่เราอยู่ในขั้นดำเนินอย่างนี้มันก็เป็นการหัดใช้จิตอะไรเป็นการหัดใช้ปัญญาใช้ไปใช้ไปใช้ไปจะเกิดผลเกิดประโยชน์ถึงที่เข้าสามารถเกิดเป็นปัญญาญาขึ้นมาได้เกิดความเชื่อเกิดความแนบแนบในหัวใจน้อมเชื่ออู้ธาตุส่ จริงๆขันห้าจริงๆปรับใจเชื่อจริงๆอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยตัวสามารถถอนอัตตาได้ถอนถอนตัวตนได้แม้จากรูปคืออัตภาพร่างกายเนี่ยถอนอัตตาได้ถอนตัวตนได้ เ, ออไดไดเห็นสักธรรว่าเป็นสภาวธรรมอย่างใดอย่น้องใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็สามารถเข้าถึงได้ เพื่อกิจปัญญาท่านมานึกๆ ค, ค, คิดพิจารณาย้อ น, อนตามไปได้เพราพื้นเพจจิตของท่านดีนพูดเถิดท่านดีจิตของท่านดีจะส่วนมากประเภทประเภทใช้สมาธิแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะมีเป็นจํานวนมากในสมัยกุฎกานจะมีเป็นจํานวนมาก อย่งางภาษาที่บุตรเนี่ยท่านไปฟังทำปุ๊บท่านได้ประโสดาบั น, นฟังจากพระอาตชินอันนี้ท่านเป็นผู้ที่มี จ, จิตเชียวชันมา ก, กวันแล้วอัญญาโกลทัญยาเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าเทศปุ๊บท่านก็ได้เป็นประโสดาบันเพราะท่านฝึกสมาธิมาตลอดอพวกฤาษีชีพายถูกต่างนะครับฝึกสมาธิมาตลอด เราจะว่าท่านไม่ไม่จริยสมาธิได้ยังไงก็ท่านทํามาตลอดนะพาะชายาบุตเนี่ยพระโมคคัลานะเนี่ยอย่างพระมคคัลานะนะครับเป็นผู้เลิศในทางริษทางริทริษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นจากอํานาจจิตเกิดขึ้นจากอานาจจิตอํานาจจิตก็คืออะไรอํานาจจิตก็คืออํานาจสมาธินั่นแหละที่จะเรียกว่าอํานาจจิต อย่างที่เราเรียกว่ามโนมิทธิเนี่ยมีริบทางจิตน่ก็ <c oughs> เ, เป็นเหตุผลไปจากการที่จิต <c oughs> มีพื้นฐานของความสงบนั่นแหละ <c oughs> สุวมากท่านจะเจริญฌานเส็จแล้วท่านมาพิจารณาทางดานปัญาแล้วท่านก็ไปได้ <c oughs> บางองค์ท่านไม่ได้พูดถึงว่าท่านฝึกสมาธิตอนนั้นแต่พื้นเพลของท่านท่านทำมามากกว่ามากแล้ว เน่พระพาหิยะเนี่ยธารุกิริยะเนี่ยอั น, นี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบหนึ่งคาถานทั้งการบรรลุธรรมปุน้นมรริพระพาหิยะเป็นผู้เลิศในทางตรัสรุเร็วเลยคิด ป, ปาพิญญา่ยระพาหิยะเนี่ยัน ย, ยังไม่ได้บวชนะใส่หนาเครื่องบวชอยู่ยังไม่ได้บวชทก นิพานเดียวกันวัวชนตายแต่ท่านเขาเรียกพระเป็นผู้เป็นผู้ที่จะโจนเร็วทันแบบวันลุกเร็วเพราะฉะนั้นพวกเราตามครูบาอาจารย์เราก็ตามไปทุกคราทําให้สงบเราก็ทำให้สงบไปทุกเราพิจารณาเราก็หัดพิจารณาไปถึงเราสงบว่าทาให้เต็มที่มันจะสงบลึกสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่ ทำให้เต็มที่ของขายของเราไปมันจะลึกไปถึงขั้นไหนก็ตามแต่อย่าไปเปรียบเทียบขั้นนั้นขั้นนี้โดยเพาะหลวงตาท่านท่านจะไม่พูดนะขั้นไหนนไหนก็ตามโมทาไปเทียบกับติดในข้อเทียบเคียงนี่แหละเหมือนอย่างบางคนชอบใช้คําว่าจิตไม่ลงจิตไม่ลงจิตไม่ลงกินไม่ลงเมื่อรู้อะไรลง ลึกตื้นละเอียดขนาดไหนขั้นไหนก็ไม่รู้จิตไม่ลงจิตไม่ลงความสงบของเราแค่ไหนขั้นไหนให้เราให้เรารู้เราทำแค่นี้เราได้ขดั้นนี้เราทำคราวหลังเราก็ได้ต่อต่อไปเราเข้าได้ยากเข้าได้ง่ายขนาดไหนก็ให้รู้เรารับเข้าใจถึงคราวที่เราคิดว่ามันคล่องแค่วที่เราจะมาพินิจมาพิจารณาเรื่องท่าเรื่องขันแล้วก็เอามาพิจารณา เราก็มาพิจรารณาสลับกันไปถึงคราวพิจรารณาท่านให้พิจารณาให้เต็มที่ถึงคราวสงบปล่อยให้สงบให้เต็มที่อย่าไปดึงออกมาพอถึงที่ของเขาเขาก็จะขยับขยับตัวเขาจะไหวตัวของเขาเราก็มาพิจรารณาเนื่องจากว่ามันอิ่มตัวในการที่มันทับผอนแล้วก็มาพิจรารณา พิจารณาไปพิจารณาไปมันค่อยๆลืมค่อยๆจางค่อยๆเลือนรางกระทั่งมันจับอารมณ์ไม่อยู่มันจักสับหน้าสับหลังพลหน้าคนหลังคือกําลังมันหมดไปแล้ะแล้วกําหนดอยู่กับความรู้สึกอันเดียวเพื่จิตสงบให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวพออยู่กับอารมณ์อันเดียวจิ่มตัวพอตัวเราก็ไปขยับให้มันอยู่กับหลายๆอารมณ์ คำว่าหลายอารมณ์ก็คือเราพิจารณานั่นแหละคลี่คลายอย่างนั้นคลี่ครอย่างนี้สับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดไปกําหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้ขึ้นมาตามหลักการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นพิจารณาสภาวธรรมของรูปธรรมของร่างกายอัตภาพร่างกายที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ดูไปดูดูดูไปรู้ดูเรื่อยๆดูจนเห็นชาติเจนโอดินจริงๆ น้ำลมไฟจริงๆหรือมันก็มาแยกแยะส่วนย่อยละเอียดเข้าไปอีกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอาการของมันเนี่ยนะกำหนดน้อมไปหาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาดูภาวะของของมันอนิจจังเป็นไงทุกขังเป็นไงอนัตตาเป็นไงแล้วก็กำหนดย้อนดูเนี่ย การที่เราทำทุกครั้งทาทุกเวลาก็เมือนว่าเราทำบทแบบฝึกหัดทำบททดสอบทาแบบฝึกหัดทำบททดสอบสตราบใดที่ยังไม่มียานทัศนะรู้จริงเห็นจริงเข้าใจตามหลักความเป็นจริงก็คือยังไม่ได้ยังไม่ถึงแต่มันหาละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยจนเป็นเห็นได้แล้วเอะใจเข้าไปเรื่อยๆ เราก็ทําอย่างนี้คขยับไปเรื่อยขยับไปเรืยไม่ใช่มันจะอยู่กับที่ที่ไหนมันจะขยับไปของมันขยับไปของมันเนื่องจากว่าเราฝุดฝนไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยไม่ลกไม่ว่างจิตเราก็จะย่อมจับขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนอกจากว่าไม่สนใจจับมาทําแล้วก็จืดจางหายไปแล้วก็ทิ้งไปอยู่แบบจิตแบบโลภๆแล้วทิ้งไป วันนี้ก็ทิ้งไปพรุ่งนี้ก็ทิ้งไปวันพรุ่งนี้ก็ทิ้งไปอีกมันก็เลยอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราจับไม่ปล่อยจิตมันก็ต้องก้าวหนะ้าเนื่องจากว่าเราเนื่องจากว่าในขณะที่เราทํามันเป็นงานที่เราทํางานทั้งหลายทั้งปวงในทางโลกที่เราทําไปเนี่ยมันก็มีเสร็จอะวันนี้เสร็จอันนี้วันนั้นเสร็จอันนั้นวันนั้นเสร็จอันนั้นวันนั้นเสร็จอันนี้ก็ขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อย คำว่าเสร็จภายในใจก็เช่นเดียวกันมันจะทำงานเข้าไปเรื่อยทางานเข้าไปเรื่อยเข้าใจเข้าไปเรื่อยเห็นความเรื่อยเกยียดของจิตเข้าไปเรื่อยรู้สึกว่าเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาภายในจิตอยู่เรื่อยๆมันจะมีแปลกๆในจิตของเราแหละเอรา้เราตั้งใจทำเข้าไปเดี๋ยวเราพิจรารณารันกะ็พิพจรารณาใเต็มที่เดี๋ยพิจารณาแยกะอาการสามสิบสองเนาแยกๆเข้าไป อันนี้เป็นการหาใช้สัญญาหาใช้สัญญาโน ม, มาพิจารณาที่กายพิจารณาผมอาการหนึ่งท่านอาการ32มสิญญองคำว่าอาการก็คือลักษณะของมันแต่ละอย่างและอย่างมันไม่เหมือนกันท่านจึงเรียกว่าอาการการที่เราเอากายมาพิจารณาอาการของกายเนี่ยมันเป็นเหตุให้เอา กติของเราสรัมผััญญาของเราเอาจิตของเราเนี่ยมาจับรู้จิตกายให้จิตรู้จักกายของตัวเองให้จิตรู้จักรูปธรรมของตัวเองมาขนมพิจารณากายพิจารณาผมขยับเรื่อยๆทำอยู่เด่นชัดดีเราก็ดูย้อนไปที่อ น, นิจจังทุกขังนัาตาของมันขนมไล่กับไปเลยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง ดูความเปลี่ยนแปลงของมันเราดูส่วนไหนชัดแล้วก็พยายามจับส่วนนั้นดูส่วนนั้นชัดก็พยายามจับส่วนนั้นแต่เราเราทำเพื่อเป็นการพลิกขณะของจิตแล้วก็พลิกไปเรื่อยกําหนดผมควายรูปผมเนี่ยปรากฏที่มโนทวารที่ใจกําลังขนก็รูปขนคนาลังเลบก็รูปแล็บคนาลไปหนังเนื เป็กนกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจพอเรากำหนดไปสัญญาหมดขึ้นเองขึ้นผิดขึ้นถูกขึ้นยังไงก็ตามแต่กำหนดพิจนาไปเลยมันจะขึ้นยังไงก็ช่างมันเพราะาอันนี้เป็นเรื่องของสัญญาที่เรากำหนดเพื่อเอางานภายในมนมาทำให้จิตเราจำนานจิตเราช่ำชองจนถึงนุน่นน้ำหมูดน้ำคูน่ะเป็นธาตุดิน 20เป็นธาตุน้ำสิบสอง่เรียกว่าอากาศส2สองอากาศส2สองเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำางบอกว่าธาตุดินธาตุดินแล้วไม่แยกแยะธาตุดินอีกธาตุดินยี่สบตั้งแต่ผมไปจนถึงไปจนถึงอาหารเก่าครบยี่สิแล้วก็ธาตุน้ำ แต่น้ำดีน้ำสาเหร่น้ำเหมือน้ำเมื่ อ, อ, อจนถึงน้ำมดูดนึ่สิบสองเป็นอาการของฐานน้ำเป็นธาตุดินกับฐานน้ำการที่เรามาไล่ต้อนพิจารณาก็เพื่อเป็นการหัดใช้จิตนั่นแหละเราวก็หนดเป็นอะไรให้รูปอ น, นั้นมันมาปรากฏที่มโนทวารเราก็รู้อยู่ว่ารูปที่มาปรากฏในมโนทวารของเรานะ่ยมันเป็นสัญญามันเป็นรูปสัญญา แต่สัญญาตัวนี้นะเป็นเป็นสัญญาที่เป็นเป็นมัดมันเป็นการเอาสัญญามามาททำงานไม่ไม่ใช่ให้กิเลมันหลอกมาทางสัญญาแต่เราเอาธรรมมาทำงานเพราะสัญญานี่เขเป็นตัวทุกเป็นข้อทุกเป็นกองทุกเวทนาสัญญาสังขารอินญาเนี่ยเป็นตัวทุกเป็นกองทุกเป็นข้อทุกด้านนามธรรมรูป เป็นก้อนทุกข์ทางด้านรูปธรรมดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์ด้านรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นก้อนทุกข์ด้านนามธรรมการที่เรากําหนดพิจารณาทุกข์มันก็เข้าหลังกทุกข์เป็นผลเราจะต้องกําหนดดูทุกข์เราจะต้องกําหนดดูทุก ข, เกกข์เพราะสิ่งที่เป็นเจ้าของ ข้อนทุกอันนี้มันมีมันค่อยๆแอบมายึดมาถืออยู่ที่จะเอาตัณหาที่มีภายในจนะิตนั่นแเรากําหนดดูกายกําหนดพิจารณากระดับนเรากำหนดดูไปกําหนดดูไปถ้าเราไม่กําหนดเราถ้าเราไม่พิจารณาดูไม่มีสติไม่มีสัมผัสันญาดูนะเดี๋ยวเจ้าของมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็น เ, เจ้าของก็คือตัณหานั่นแหละตัวความทะยานอยาก ตัวยึดตัวถือว่าผมเราขนเราเล็บเราหนังเราอัตภาพตัวตนของเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําหนดดุจตัวมันตัวทุกเพราะกำหนดตัวทุกสักหน่อยหนึ่งเดียวเจ้าของมันมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเจ้าของมันก็คือกิเลสนั่นแหละตัวความอยากนั่นแหละนั้นมันเกิดขึ้นมามันแทรกเข้ามามันเกิดที่จิตมันแทรกเข้ามาที่จิต มยึดมาถือมานับมาเนื่องว่าเป็นตัวของเราเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเราใช้กอันนี้มาพิจารณาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนื่องจากเหตุที่ว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนั่นแหละเราจึงหลงเราไม่รู้เลยเป็นเหตุใราหลงด้วยเหตุที่เราหลงอ่ะเป็นเหตุให้เราไม่รู้ไม่รู้อะไร ไม่รู้เหตุของมันไม่รู้ปัจจัยของมันในเมื่อไม่รู้เหตุของมันไม่รู้ปัจจัยของมันเพราะเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บกิเลสม่าสวมรอยเข้ามาทําให้เรายึดในสิ่งที่เราเห็นนะเห็นดีเราก็ชอบเห็นไม่ดีเราก็ราก็วชังอไอ้คำว่ า, าชอบกับชังก็คือยึดติดอุปาทานขึ้นมาตามันั้นชอบก็คืออุปาทานเกิดขึ้นไม่ชอบคืออุปาทานเกิดขึ้น ชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงจำเพาะหน้าที่เราดูที่เราเข้าใจมันเป็นเหตุผลหลอกของกิเลสที่มันสวมรอยเข้ามาอยู่ตัวนี้สำคัญเราฝึกซ้อมเพื่อให้รู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจตรงนี้ให้เรามาพิจารณาดูตรงนี้นนั้นเราไม่ครับไม่เข้าใจเราพิจารณาไปเราพิจารณาไปเราจะเห็นเจ้าตัวมันอ่ะที่เป็นสมุทยัยเป็นสาเหตุ ของรูปธรรมเป็นสาเหตุให้เกิดรูปธรรมเป็นสาเหตุให้เกิดนามธรรมมันจะโผลมาที่จิตนั่นแหละคือเจ้าตัณหาที่มันโผล่มาที่จิตทำให้เราอยากก็คือเจ้ากิเลสตัณหาทำให้เราไม่อยากทำให้เราผลักออกไปก็คือเจ้ากิเลสตัณหาแ่ะเพราะสิ่งใดที่ที่มันชอบที่มันต้องการมันก็ยึดเข้ามาสิ่งใดที่มันไม่ชอบมันไม่ต้องการอ่ะ มันก็ผลักออกไปไอ้ทั้งชอบมันยึดเข้ามาก็คือมันเกณฑ์เข้ามาไอ้ทั้งไม่ชอบที่มันผลักออกไปก็คือมันเกณฑ์ให้ผลักออกไปไม่ใช่สั จ, จธรรมไม่ใช่ความจริงจำเพาะหน้าเราดูแล้วเราย้อนมาตรงนี้ให้มันลงมาศูนย์ตรงนี้ลงมาที่ตัวหลักของสั จ, จธรรมนี่มันเข้าลักษณะว่ากาหนดทุก แล้วก็ย้อนไปดูสมุทรไทยสมุทรไทยเกิดที่จิตเวลาเราดูทุกดูไปดูไปดูไปเราเพลินไปดูไปจนเพลินไปถ้าหากสัตว์จะทําให้ปรากฏเนี่ยสักหน่อยหนงเดียวก็เลยมจะสวมเข้ามาหละสวมรอยเข้ามามายึดมาถือมาเกาะม า, มาเกี่ยวละตัวนั้นแหละเป็นตัวเจ้าของมันที่มันยิดมันถือมาเป็นกลับเป็นกันน่ะเป็นกับกับเป็นกันกัน่ะตัวนั้นแหละแล้วก็ตัวนั้นแหล ะ, ะเป็นเจ้าวัจจ์จับที่ประ ที่มันพาเราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีจบไม่มีสิ้นคือเจ้านั่นแหละนั่นแหละคือเจ้าคือจอมของมันแท้ๆเละคือความอยากของจิตความริ้นรนของจิตความทะเยอทายานภายในจิตมันเข้าหลักอริยสัจสี่เรามาตรงนี้เราเข้าหลักแล้วก็มาดูทุกก็มาดูทุกเพื่อจะให้เห็นสมุทยัยและจะรักที่ตัวสมุทยัย สมุทัยนั้นเราตั้งใจละเฉยเฉยไม่ได้เราจะต้องดูให้เห็นสาเหตุเห็นต้นตอของมันตราบใดที่เรายังไม่เห็นสาเหตุไม่เห็นต้นตอของมันเนี่ยเราจะละไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเมื่อเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทราบเหตุเราก็ไม่ทราบผลของมันคือเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยนี้ผลอันนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบไม่ได้ เหตุอันนั้นเป็นผลมาจากอันนี้เหตุอันนี้เป็นผลมาจากอันนั้นเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงหิย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนมาตรงนี้นี่คือสนามงานเราได้งานทําก็หมดรูทุกเพื่อที่จะจับตัวสมุทัยมันเกิดขึ้นที่กิตในระหว่างที่เรากําลังทํางานอยู่มันก็เป็นการเจริญมัดคําว่ามัดในชนี้เราอย่าไปทิ้งว่ามีแต่ปัญญามันต้องมีสมาธิกลับไปด้วยเพราะสมาธิ มันเป็นคุณสมบัติของจิตทําให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตอยู่กับอารมณ์เดียวฉะนั้นเราค้ายๆขยับเหมือนกับเรายืนอยู่กับที่เฉะนั้นเราค่อยๆก้าวเข้าไปยืนอยู่กับที่เราค่อยๆขยับเข้าไปจ้องอยู่กับที่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายเข้าไปคลี่คลายเข้าไปย้อนหน้าย้อนหลังส uhh ับหน้าสับหลังดักหน้าดักหลังต้อนหน้าต้อนหลังพิจารณาเข้าไปเรืยพิจารณาเข้าไปเรืย ดูภาวะความไม่คงทนของมันเป็นไงดูภาวะความไม่ไม่คงที่ของมันเป็นไงความไม่คงที่ของรูปธรรมความไม่คงที่ของนามธรรมความเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงวิ่งเกาะอารมณ์นู้นวิ่งเกาะอารมณ์นี้ไม่จบไม่สิ้นมันเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดแล้วก็ดูดูความคงที่ของมันมันไม่คงที่ ในระหว่างที่เราเห็นความไม่คงที่ของมันเราเห็นแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องทุกข์เราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องทุกข์ังเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทุกขังอหะจึงเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังมันเป็นภาวะที่เป็นไปตามหลักของธรรมชาติของมัน ไม่มีใครสามารถมากะมาเกณมากีดมาขั้นได้เป็นไปตามภาวะของมันกะเกณอะไรไม่ได้ฉงนั้นรูปธรรมเราก็กะเกณไม่ได้นามธรรมเราก็กะเกณไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาเนื่องจากว่าเรากะเราเกณเรามาขับบัญชาไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาเราดูไปเราก็ก็เห็นแต่หลักของสัจธรรมต่างๆหัดดูหัดพิจรารณาออไป จะก่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไปเรยเกิดความคล่องแคล่วเกิดความฉลาดฉมางเข้าไปเรื่อยมันจะมีอารมณ์ละเอียดที่มาเกี่ยวข้องภายในจิตนั่งดูตรงนี้นั่งพิจรารณาตรงนี้ได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมีการทํางานของเราถ้าเราไม่หันมาตรงนี้แหละเราไม่รู้ไปจับที่ไหนแหละตรงไหนแหละทําการทํางานเราดูไปที่ตำรับตาําราเราก็เห็นที่ตำรับตาําราทําบทนั่นทําบทนี้ แต่จัยไปใดไปดอกมวลนั้นปไปดอกอวนนี้ข้อธรรมะมวลนั้นข้อธรรมะมวลนี้มามันก็มีแต่ตัวหนังสืออยู่ในหลักเราดูของจิงเราดูมาที่จิตเราดูมาที่กายศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจิงร่างกายเป็นไงก็ดูไปที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินแข็งแข็งธาตุน้ําซึมซาบเปิกอาบธาต ลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องลมในไส้ธาตุไฟอบขุนธาตุทตั้งหมดนี่เราสามารถพิสูจน์ทำความรู้จักให้รู้จักหน้าให้รู้จักตาของาวติธาตุเสร็จแล้วท่านบอกวา่าธาตุดินเอาธาตุดินข้างในไปเทียบกับธาตุดินข้างนอกธาตุดินนอกกายของเราสิ่งที่เป็นวัตถุแข็งทั่ ว, วไปธาตุน้ําก็สิ่งที่เป็นน้ำอยู่ อยู่ข้างนอกตัวเราเยอยู่ข้างในตัวเราเป็นไหถ้าลมก็ลมข้างนอกตัวเราลมภายในตัวเราคก็ท่านลมท่านไฟดูไฟข้างนอกตัวเราแล้วมาดูไฟภายในตัวเราลักษณะของมันก็คือร้อนๆอุ่นๆดินน้ําลมไฟดูเทียบเทียมจะมีความมั่นใจว่าโอ้ดินจริงๆน้ําจริงๆลมจริงๆไฟจริงๆ มีเคลือบเลมันมีสงสัยจิตใจปักเชื่อเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นสิ่งอนนี้สักเพราะว่าเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตานัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคําว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่เราบังคับบัญชามันไม่ได้คําว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่า ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่าไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่เข้าใจแบบนั้นผิดแล้วเป็นการเข้าใจที่ทิ้งหลังสภาวธรรมเสร็จแล้วเราไม่รู้จะไปจับอะไรไปเกาะอะไรเลยไม่รู้จะไปจับอะไรไม่รู้ไปเกาะอะไรเหมือนอย่างคาว่าความบ้างความบ้างเราก็คิดว่าไม่มีไอ้ไม่มีก็คือมองไม่เห็นมีอะไรเห็นมีแต่บ้าง เราเห็นความไม่มีรูปเพราะว่ามันว่างแต่ภาวะเหล่านั้นมันไม่ใช่จะมีะเฉพาะภาวะที่เป็นรูปภาวะที่เป็นเสียงก็มีภาวะที่เป็นกลิ่นก็มีภาวะที่เป็นรสก็มีภาวะที่เป็นสัมผัสก็มีที่มันเกี่ยวข้องกับกายนี้ส่วนมากเราก็ดูฟ้งความว่างก็ดูไปที่ว่างๆ คือไม่เห็นมีอะไรเป็นช่องว่างๆเป็นช่องศูนย์ๆเป็นช่องเ ป, ปล่าๆดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจตรงนี้ไม่งั้นโดนต้องดนหลอกใจเรานะ่ยมันหลอกกิเลสมันหลอกจิตใจพวงเราอะไรคือว่างดูให้รู้ให้เข้าใจอย่าเอาคํานี้มาพูดง่ายๆโดยที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเสียเราเราจะไม่มีงานทำํำตั้งเอาไว้ จ่างอาไว้มันบ้างจากอะไรมันว้างจากอะไรคํามาบ้างคืออะไรไปดูไอ้ตรงที่เขาขาวไม่มีอะไรไม่เห็นมีรูปมันไม่ใช่ภาวะที่เกี่ยวกับรูปอย่างเดียวมันเป็นภาวะที่จะต้องเกี่ยวกับเสียงด้วยใจเราไปเกี่ยวข้องกับเสียงไหมยังสนใจเรื่องเสียงไหมใจเราไปเกี่ยวข้องกับกลิ่นไหมให้ความสาคัญกลิ่นไหม ใจเราสำัำพันธ์กับรถไหมให้ความสัมพันธ์กับรถไหมกายเราไปเกี่ยวข้องกับสัมผัสไหมสัมผัสทั้งด้านรูปธรรมทั้งด้านานามธรรมมันมีความสัมผัสไหมมันมีความเกี่ยวข้องไหมมีความสนใจไหมเราไปดูอย่างนี้เราดูไม่ได้ถ้ว่าว่างคือจิตจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเช่นอย่างจิตดิ่งเข้าสู่สมาธิอย่างละเอียดลึกซึ้งแนบแน่นเนี่ยคือว่างจากอารมณ์ว่างจาก นิมิตทั้งหลายทั้งปวงคำว่านิมิตก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะรูปเป็นนิมิตมันมีทั้งนิมิตรูปมีทั้งนิมิตเสียงนิมิตกลิ่นนิมิตรสนิมิตสัมผัสนิมิตในธรรมมารมจิตของเราไม่เกี่ยวกับนิมิตเลยจิตเข้าอยู่โดยเอกเทศในตัวของตัวมันเองนั่นคือว่างอาจารย์ท่านว่าว่างในสมาธิว่างในสมาธิ จะจะเป็นเกี่ยวกับการว้างเรื่องปัญญามันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างชำนิชำนาญอย่างช่ำชองที่เดียวถึงจะรู้ได้ถึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ดูแล้วไม่เห็นมีรูปอะไรอย่างนั้นนะดูความว่างเพ่งความว่างอะไรคือว่างที่แทจ้จริงไม่รู้เรื่องดูให้ชัดเจนยิ่มันหลยนี่เรามาตรงนี้เรามาพิจารณาอย่าไปทิ้งผู้ อย่าไปทิ้งเวทนาสัญญาสังขารเินญาณแท้ที่จริงจิตมันก็หมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละมันหมุนอยู่กับรูปนี่แหละรูปส่วนไหนล่ะรูปที่เป็นรูปคือมโนภาพรูปที่เป็นรูปคือเสียงรูปที่เป็นรูปคือกลิ่นกลิ่นเป็นรูปนะรูปที่เป็นรูปคือรสรูปที่เป็นรูปคือสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นรูปทั้งหมดน มันไม่ใช่มีเฉพาะรูปที่เป็นมโนภาพไม่ใช่ดูให้ชัดเจนงนั้นโดนหลอกโอ้ดีแล้วเราอยู่กับความว่างเราอยู่กับความว่างในสุขไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำงานทำการเวลาใจปล่อยมาถอยมาแล้วก็ก็เริ่มเสพสารไปตามเรื่องตามราวเนื่องจากเราไม่ได้ดูให้หละเอียนว่าอะไรคือคือความชัดเจนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นงานเราก็มาอยู่แค่นี้แหละ จิตสงบสงกขั้นไหนก็ดูไปกําหนดไปพิจารณาไปพิจารณาทางนั้านปัญญากดูไปดูไปพิจารณาไปในเมื่อจิตเราหมุนอยู่กับงานเนี่ยจิตเราก็ต้องก้าวห น, น้าย่อมได้รับความสงบย่อมได้รับความรอบรู้ย่อมได้อารมณ์แห่งทำภายในใจเมื่อได้อารมณ์ทำภายในใจแล้วมันสนุกยืนเดินนั่งนอนมันเห็นอารมณ์ภายในใจ มันจะเป็นเรื่องโลกก็ตามเป็นเรื่องรูปเครื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรด้วยเหตุที่จิตเราหมุนอยู่ในธรรมมันกลายเป็นธรรมทั้งหมดแต่ถ้าจิตยังเป็นโลกอยู่เนี่ยสัมผัสสัมพัพนธ์โลกก็ตามสัมผัสสัมพัพนธ์ธรรมก็ตามมันก็ยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจิตเป็นธรรมแล้วนะี่ยดูอะไรท่านดูเป็นธรรมหมดคําว่าเป็นธรรมคือความจริงส่วนนั้น่ะปรากฏเฉพาะจิตปรากฏที่จิตที่จิต ความจริงส่วนหนึ่งก็คือหลักของสัจธรรมนี่แหละความจริงส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะที่เขาเรียกว่าทำดีทำชั่วเนี่ยแหละทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ถูกมันนะคือความจริงส่วนหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตทำแบบนั้นทำไปหลงเพลินไปกับอำนาจของตัวสมุทัยทำแบบนั้นทำไปตามอำนาจของธรรมที่ทําให้เปลี่ยนไปสรุปย่อลงไปก็ลงที่หลักของสัจธรรม ทั้งด้านรูปธรรมทั้งด้านนามธรรมสรุปย่อลงไปที่หลักของสภาวะธรรมหลักของสัจธรรมทั้งหมดทั้งสภาวะของรูปธรรมทั้งสภาวะของนามธรรมเราพิจารณาเราอยาหันออกจากหลักตรงนี้ถ้าเราเข้าใจมาตรงนี้แล้วโอกาสที่เรายัางเข้าถึงหลักของสัจธรรมทั่วๆไปมันจะเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายอะไรคือสัจธรรมแล้วพยายามเล็งเข้าใส่ก็ไปเลย เลงเข้าไปใส่อันนั้นหลักของไสยธรรมก็คือความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่มีโยูรอบตัวเราความจริงของรูปร่างกายของเราเป็นยังไงกําหนดพิจารณาดูความจริงแท้ของมันเป็นยังไงความจร IN ิงแท้ของจิตของเวทนาสัญญาสังขานติงานเป็นยังไงความเกี่ยวข้องระหว่างกายกับจิตเป็นยังไงความเกี่ยวข้องระหว่างกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตเป็นยังไงพิจารณาไปกรองไปกําหนดจุดจบเข้าไป เราเล็งเป้าไปสู่หลักของสัจรธรรมพอเราเข้าไปถึงหลักของสัจรธรรมที่แท้จรงิงเราทราบเหตุทราบปัจจัยที่แท้จริงข้ามาเราทราบเหตุทราบปัจจัยแล้วเราก็ไม่สงสัยแล้วว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้อันนี้เป็นเหตุ น, นี่อันนี้เป็นเหตุให้เกิดนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดนี้โดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มเดากระเเกนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามอำนาจของกิตร่างกายเป็นเบาวของไม่ใจก็ตามแต่ใจไม่สามารถจะบังคับบัรจา ก, กายได้ ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็น เ, เป่าของใจก็ตามใจเป็นนายก็ตามแต่ใจไม่สามารถจะบังคับบัญชากายได้ไม่งั้นเราก็บังคับบัญชาไให้กายเก็บไข้ได้ปวดสิเนื่องจากว่ามันคนละเหตุคนละปัจจัยเหตุของกายส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยของกายส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยของใจนะส่วนอีกส่วนหนึ่งตั้งหากคนละเหตุคนละปัจจัยกันคนละเหตุคนละปัจจัยกัน แต่ผู้ที่มีความสามารถเช่นอย่างพระพุทธเจา้าพระอริยสาวกที่ท่านมีอำนาจจิตท่านก็สามารถใช้จิตได้บ้างเป็นการเป็นคราวเท่านั้นเองอย่างนัพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่ต้องปฏิญพญาสิถ้าท่านใช้บังคับบัญชาได้อย่างนั้นท่านก็ใช้ระ ง, งับได้เป็นการเป็นคราวพราให้อัตภาพร่างกายอยู่ชั่วการชั่วคราวชั่วอายุไขเพราะเกินเหตุนั้นไปท่าก็ปล่อยเท่านั้นเองไม่ใช่ว่า ใจมีคุณสมบัติใจมีคุณธรรมจนสามารถบังคับบัญชาไม่ให้กายเนี่ยต้องแตกกายทำลายขันไปก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าภาวะของกายเหตุปัจจัยของกายก็ส่วนหนึ่งภาวะของจิตเหตุปัจจัยของจิตก็ส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่เป็นรูปประธาต์เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยของใจของเรามันเป็นนามธาตุเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุ เป็นมโนทาตเป็นธาตุรู้ตราบใดที่ยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็ถูกน้อมไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงคําว่าไม่บริสุทธิ์ก็คือยังเคลือบแฝงไปด้วยกิเลสนั่นแหละน้นอมไปตามอําอนาจของความอยากตัณหาตัณหาปแปล ว, ว่าความทะยานอยากอยากมาอย่างหนึ่งท่านเรียก ว, ว่ากามตัณหาอยากมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าภ ว, วตัณหาอยากมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียก ว, ว่าวิภวตัณหา ความอยากเนี่ยมันมีประจำอยู่ในมนโนธาตุยังเคลือบอยังแฝงเพราะด้วยอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นใครก็มีใจด้วยกันทุกๆคนเกิดเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครุกคลีตีมงกับกิเลสตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหรเราทราบไม่ได้เราทราบได้ว่าเรามีใจแล้วเราก็มีกิเลสกิเลสแฝงมากับใจเราจะต้องมาชําระกิเลสภายในใจของเราให้บริสุทธิ์ธาตุรู้ของเราชําระให้บริสุทธิ์เมื่อชําระบริสุทธิ์แล้วธาตุรู้ก็เป็นเอกเทศ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงดํารงตนอยู่โดยเอกเทศตลอดอนันตกาล ร, รูปธรรมก็เป็นสิ่งภายนอกธาตุินธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟอัตภาพร่างกายเป็นสิ่งภายนอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นภายนอกไม่ใช่ตัวจิตไม่ใช่ตัวมโนธาตุไม่ใช่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้มันเป็นอาการของผู้รู้มันเป็นอาการของธาตุรู้ พอชำระได้หมดสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับละไปโดยอัตโนมัติคือปฏิบัติเพื่อชำระเพื่อสละกขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิมยมาณเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องสละการพิจารณ์น้อมมารู้เหตุน้อมมารู้ปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพื่อทําให้เราเข้าถึงหลักของสัจธรรมเข้าไปรู้สาเหตุเข้าไปรู้เข้าไปรู้เหตุเข้าไปรู้ผลเข้าไปรู้ต้นต่อของเหตุของปัจจัยของมัน ก็คือเข้าไปเรียนเข้าไปรู้เข้าไปศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เ, เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาเองเราไม่จําเป็นจะต้องตั้งใจปล่อยเราก็หมดสงสัยไปเองตรบาบใดที่เรายังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้ก็คือเรายังสงสัยอยู่นั่นแหละเหตุปัจจัยยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ชัดเจนภายในใจของเราเป็นเหตุต้องยึด ต, ต้องถือต้องสุขบ้างต้องทุกบ้างต้องอะไรบ้างอยู่อย่างนี้แหละ ไม่มีจุดจบเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงยังไม่ประจักษ์ภาจิตของเราเราศึกษาเราดำเนินเราปฏิบัติ บ, ตบนเส้นทางเส้นนี้เราจะต้องมีความรู้เราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่ตางๆเหล่าลนี้เพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆต่างๆเหล่ า, า, าลนี้เพราะฉะนั้นการรู้ทำการเข้าใจทำ การเข้าถึงหลักรีจธรรมการบรรทุกธรรมจึงมีได้เป็นได้ในหัวใจของเราของท่านไม่ว่าหัวใจของใครทั้งนั้นสามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้สามารถมีได้เป็นได้โดยที่เราไม่ต้องสงสัยในเมื่อเราย้อนมาศึกษาเหตุย้อนมาศึกษาปัจจัยตรงนี้เราทราบว่าเรายังงอกกับสิ่งวันนี้เรายังไม่เข้าใจสิ่งวันนี้ในเมื่อไม่เข้าใจมันก็หยุด ทำว่ายึดก็คือหมายจิตมันหมายเอาไว้มันหมายยังไงมันก็ได้อยังงั้นนี่ถ้าเรียกว่าอุปาทานมันหมายเอาไว้มันยึดมันหมายยึดยังไงมันก็ได้อย่างนั้นเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นรูปเป็นตัวเป็นตนนั่ น, น, น, นแหละเลนื่องจากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจต้องมาศึกษา <idas S 1> เหตุปัจจัยที่แท้จริงของมันดินน้ำลมไฟร่างกายอัตภาพร่างกายของเรามาอย่างไรเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังทุกครั้งร่างกายของเราก็มาจาก ของพ่อของแม่รูปปัตตานี่ได้มาจากไหนได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ดูไปที่น่ะย้อนก็ไปอยู่ในท้องแม่นะลองลองดูมีแต่แม่ไม่มีาธาตุพ่อไปผสมก็เกิดไม่ได้เมื่อมีาธาตุพ่อไปผสมก็เป็นเหตุให้เข้ากับหลักธรรมชาติอันหนึ่งเข้าประกอบกันแล้วก็มีการเจริญวัฒนาทวารมาประกอบไปด้วยปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปสิงคือด้านนา ม, มาัธรรมนั่นน่ะ ความเป็นมาดั้งเดิมของรูปธรรมเราย้อนก็ไปย้อนแค่นี้ก็ทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรูปปัจจุบันรูปปัจจุบันต่างๆเหล่านี้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเราเป็นท่านประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามแต่อาศัยกรรมมันเกี่ยวข้องอยู่มันไปจับจองอยู่กรรมก็ามาจากจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตไปถึงปฏิสนธิริญญาต์แล้วจเจริญวัฒนาเท้าอ่อนมาเรื่อยๆ ทำให้ดินน้ำลงไฟที่ได้มาจากพ่อจากแม่นี่แหละมีการก่อร่างสร้างตัวกันแล้วมีการเจริญวัฒนาทาวรมาขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่วินาทีที่ได้ไ ป, ประวสเหมอกกันจะไม่มีการอยู่คงที่จะต้องมีการขยับมาเรื่อยจากน้ำใสๆมาเป็นน้ำข้นมาเป็นก้อนเลือดข้นๆแล้วก็มาเป็นเนือ้อเป็นหนังเป็นมางสาขยายเป็นปัญจสาขามีแขนสองมีขาสองมีลาตัวแล้วก็มีหัว จเจริญวัฒนาท้ววรขึ้นมาเลยมีอาการครบสามสิบสองก็ออกมาออกมาจากท้องแม่เนี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มีกรรมกํากับอยู่ทําไมดินน้ําลมไฟข้างนอกเขาถึงไม่เป็นไปทําไมเขาถึงเดินไม่ได้เหมือนเราเขาเดินไม่ได้เพราะว่าดินน้ําลมไฟข้างนอกมนะันเป็นธาตุเดิมของเรา เ, าเราเอาธาตุเดิมมาจากสิ่งภายนอกต่างๆเหล่านั้นแหละ กวาดธาตุธาเรียกว่าม um <les> ูลเดิมส <wehr atch> <t war aya> <Myers dodge, knowing>. ิ่งที่เป็นมูลเดิมทั้นเรียกวัดธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสิ่งที่เป็นมูลเดิมท่เรียกวัดธาตุรูปธาตุของเราเราจําเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นมูลเดิมที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟจากนั้นก็อาศัยนามธาตุนามธาตุหรือมโนธาตุเนี่ยมาสิ่งมาเกี่ยวข้องกันรูปธาตุได้รูปอยาบได้รูปละเอียดยังไงมันก็เป็นเหตุมาจาก นามาธาตุนามาธาตุก็คืออาศัยกรรมนี่แหละกรรมหยาบกรรมละเอียดของจิตดวงนั้นกรรมหยาบก็ไปได้อัตภาพห ย, ยาบหยาบกรรมละเอียดก็ไปได้อัตภาพที่ละเอียดละเอียดเกินมุดไปก็ไปได้อัตภาพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นอะไรไปอย่างงั้นตามพื้นตามภูมิตามภาวะ ข, ของจิตที่มีความละเอียดละออมันมีความเฉือนมันมีความผูกพันนี้ เราทราบว่ารูปวัฏฏะของเราได้มาจากพ่อจากแม่น้ำาัาฏะของเราได้มาอย่างไหนเราทราบไม่ได้พระเจ้ทาท่าทรงตัดพยากรณ์ว่าอาวิชชาปัจจยาอาวิชชาปัจจยาอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารเราไม่รู้เราไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไงตอนไหนตั้งแต่เมื่อใดพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ที่อวิชชาอาวิชชาปัจจยาหลวงปู่มั่นท่านเพิ่มเข้าไปอีกทีติภูตังอวิชชาปัจจยาสังขารา อวิชชาก็คือความโงกของจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่จิตคือจิตดวงนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฉลาดก็เกิดอวิชชาขึ้นมาแ่ลว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรไม่รู้สาเหตุไม่รู้ต้นต่อไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาท่านจึงตั้งว่าอวิชชาเลยเป็นเหตุให้เกิดเกิดสังขารคาว่าสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป ตั้งแต่สิ่งสองสิ่งขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านล้านนับเนื่องมาตั้งแต่สองนั้นเถะกลายเป็นสังขารแล้วบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่สองเป็นต้นไปในเมื่อไปประกอบกันแล้วจะไม่มีการคงที่มันจะสับเปลี่ยนตัวของมันไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราดูเราตั้งแต่ท้องแม่น่ะอยู่ในท้องแม่เปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อย เปลี่ยนมาด้วยอํานาจของระบบระเบียบของสังขารนี่แหละพราะมันเกิดเป็นรูปคนมันก็สับเปลี่ยนมาเลยไปเกิดในรูปสัตว์ในท้องสัตว์ก็สับเปลี่ยนไปเป็นแบบในท้องสัตว์อันนี้คือสังขารที่มีใจครองที่เราพูดสังขารที่ไม่มีใจครองก็มีเช่นอย่างต้นไม้เนยมันเป็นสังขารกันเราเอาเม็ดมันไปเพาะเยืยอมันก็งอกขึ้นมางอกขึ้นมาในขณะที่มันเริ่มออกขึ้นมามันงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการคงที่นะมันจะ เปลี่ยนตัวมันมาเรื่อยมาเรื่อยเราดูที่ต้นไม้ที่เราไปเพาะขยับขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเป็นต้นอ่อนเป็นใบอ่อนเป็นยอดอ่อนขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยเป็นต้นเป็นใบเป็นแขนงเป็นสาขาเป็นอะไรขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลเป็นอะไรเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันจะไม่มีการคงที่ของมันนั่นแหละคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปประกอบเป็นสังขารสังขารที่มีอยู่ภายในจิตของเราเช่นเดียวกันอันนี้เราย้อนไปถึงสาเหตุต้นต่อของนามธรรมนะ มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้แหละเราเป็นนักภาวนาเราก็ต้องย้อนมาตรงนี้มาพิจารณาตรงนี้เพื่อมาดูตัวเราเพื่อมาดูจิตของเราเพื่อมาดูกายของเรามาดูความลุ่มหลงภายในจิตของเราโดยเหตุที่เราลุ่มหลงนั่นแหละเราเพ่งแ บ, บแกแบกรองทุกวันคืนต้องไปเรามีแต่แบกแบกองทุกทุกเพราะอะไรเพราะไม่ทราบสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของมันนะครับยึดเข้ามาทุกแล้วบางทีก็เอาความนึกความคิดของเราเนี่ยไปกะนุนไปเกนนี้ เกณฑ์จากหลักความเป็นจริงของมันมันไม่เป็นไปตามใจกับทุกเ ข, ข้นมาแล้วทุกเข้ามาแล้ววันๆหนึ่งเรานั่งคอยรับทุกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีจุดจบเนือ่องจากว่าเราโง่เราเองเราหลงเราเองเราไม่เข้าใจของเราเองเรายึดเราเองมีแต่ยึดกับยึ ด, ย, ด, ย, ดยึดกับยึดยึดกองทุกยึดกองทุกยิ่งเรามายึดอัตภาพร่างกายร่างกายโดยปกติมันเป็นสภาวะทุกข์ของมันอยู่แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ย ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ปวดก็ทุกข์เข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าหากจิตของเรามายึดกายอยีกก็ได้รับความทุกข์สองชั้นกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ครูบาอาจารย์พระอริยเจา้าท่านศึกษาเข้าใจเรื่องหลักหลักสัจธรรมต่างๆเล่านี้ท่านทราบว่าเออสัจธรรมของกายเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็ปล่อยไปเนื่องจากว่าท่านรู้ท่านเข้าใจหมดแล้วร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วดท่านก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ปวด่วย ร่างกายเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ท่านก็รู้ว่ามันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นกองทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์ไปด้วยเนื่องจากว่าท่านทราบสาเหตุเสร็จแล้วท่านเลิกท่านละท่านปล่อยทั้งความเพิ่ตั้งหาอุปาทานได้หมดแล้วท่นก็พ้นทุกข์พ้นโทษตรงนี้ไปท่านร่างกายเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์จิตใจของท่านยิ่งไม่เลยทั้ความทุกข์อยู่กับสัจธรรมท่านอยู่กับสัจธรรมหลักของสัจธรรม คือทั้งด้านรูปธรรมทั้งด้านนามธรรมเราพูดถึงสังขารพอมันพัฒนามาเป็นสังขารพมันพัฒนามาเป็นวิญญาณมาพัฒนามาเป็นนามรูปมันพัฒนามาเป็นอายตนะตาหูมือลิ้นกายใจไปนอกหในหเสร็จแล้วมันก็มาสัมผัสสัมพันธ์กันทําให้เกิดกระแสของตัณหามาไม่มีจุดจบเวลาสัมผัสสัมพันธ์กันเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภบเกิดชาติ เกิดพบนิยหมายความว่ามันยึดยึดทั้งปัจจุบันเมื่อมีการยึดในปัจจุบันแล้วมันมันก็จะมีมีเป็นพบที่เขาเรียกว่ามีที่เกิดเมื่อมีที่เกิดจิตมันจะต้องไปเกิดในที่ที่มันมันยึดนั่นแหละมันยึดยังไงก็คือแรงอุปาทานแรงุปาทานมันเป็นเหตุให้มันไปเกิดไปเกิดในที่มันยึดนั่นแหละคือพบจะต้องมีชาติไปปรากฏในพบเมื่อมีพบมาก็เหมือนอย่างเราได้ชาติกำเนิดมาเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตาย ตายแล้วเกิดมาอีกเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเกิดมาอีกเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือหลักของวัฏฏะหลักของวัฏฏะนะั้นไม่มีจบไม่มีสิ้นผู้ที่จะตัดวัฏฏะได้คือนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตัดกระแสของวัฏฏะได้ตัดได้อย่างไม่หมดแต่ก็จะพัฒนาไปสู่ความสิ้นสุดของวัฏฏะสงสารปราบใดที่ยังไม่ได้คุณธรรมถึงขั้นพระโสดาบันแล้ววัฏฏะสงสารนี้ยืดยาวไปไม่มีจุดจบ การที่เรามีชีวิตยืดยาวเกิดตายเกิดตายไปในวัฏสงสารคือการพัฒนาไปของกองทุกข ร, ปรูปธรรมก็คือ ร, ปรูปปัจจุบนามธรรมก็คือนามาทุกขทุกไปอยู่เรื่อยๆทั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความโง่ครับของความรุ่มหลงของเราโลภโทสะโมหะสรุปลงที่โมหะคือความหลงไม่รู้ไม่รู้เห็นไม่รู้ปัจจัยแล้วก็หลงยึดหลงถือไปอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นพวกเราอยู่ถ้ำกลาง ศาสนาธรรมที่เหมือนแสงสว่างชี้ช่องบอกทางให้ดรเดินไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหมดจดจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะทิ้งหลักตรงนี้ไม่ได้เรานึกเราคิดเราพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าเรานึกเราคิดถึงอํำนาจของคุณของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าบทพุทธคุณเราน้อมนึกระลึกถึงบทธรรมคุณที่พระพุทธเจ้าท่ทรงตรัสเอาไว้เราน้อมนึกระลึกถึงบธธรร ท, ทง ส, งงบสังฆคุณ คุณของพระอริยสงฆ์ผู้ให้เกิดความเรื่มใสให้เกิดความศรัทธาเพื่อดึงแรงศรัทธาขึ้นมาภายในจิตของเราทําให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านเป็นแรงกระตุน้นให้เราเกิดศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสวิริยะของเราก็มีอย่างที่ท่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นหลักของอินทรีย์าเราสามารถจะดึงหลักของอินทรียห้ามาฝึกมาฝนมาอบรมมาบ่มวิสัยของเราให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าก็ได้แก่กล้าไปแก่กล้าสมควรในการรู้ทําเข้าใจทำมนุษยธรรมเราก็สามารถจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยของผู้ที่ตั้ง อ, อกตั้งใจก้าวไปเพื่อจะไ ป, ไปถึงไปถึงจุดนั้นได้มีพราเราอยู่ท่ามกลางคนต่างพยายมตั้ออกตั้งใจเดินเข้าไปพยายามเลื่อมใสศรัทธา ให้รักษาศรัทธาที่จิตของเราไว้อย่าไปให้คนอื่นช่วยรักษาศรัทธาให้คําว่าให้คนอื่นช่วยรักษาศรัทธาให้หมายความว่าต้องให้เขาทําให้ถูกใจเราทุกสีทุกอย่างเพื่อที่ให้เราเกิดความเรื่อมใจเกิดความศรัทธาอันนั้นคือการเข้าใจผิดเราต้องรักษาศรัทธาที่จิตของเราจิตของใครของเราถ้าเราไปพยายามเกณฑ์สิ่งนี้ให้ถูกใจเกณฑ์สิ่งนี้ให้ถูกใจนั่นแหละคือพยายามไปเกณฑ์ข้างนอก เพื่อที่ให้เราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอนนั้นคือการเกณฑ์ศรัทธาผิดร้อยทั้งร้อยเราไม่ประสบผลคือความสุขความสําเร็จลงได้แต่ถ้าเราเอาจิตของเราเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแล้วก็น้อมนึกเราลึกถึงบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุณไปดูพุทธคุณก้าวธรรมคุณปกสังคุณก้าวไปไปอ่านดูคุณสมบัติของพระเจ้าคุณสมบัติของพระธรรมที่ตองทรงตรัสเอาไว้ คุณนสมบัติของพาริยสงฆ์ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้พร้อมที่จะทําให้เราเกิดความเชื่อเกิดความเรื่อมใส่ศรัทธาถึงแม้ว่าท่านต่างๆเหล่านั้นถ้าจะผ่านไปก่อนเราเมื่อเรามีความสนอกสนใจน้อมนํามายึดกันข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติก็จะทําให้เราเนะีขยับตามท่านไปเรื่อยตามท่านไปใรืตามท่านไ ป, นน ไ, ปนไปสู่ทิศทางที่จะไปหาท่านตามหลังท่านไปนะในในที่สุด อัตภาพนี้ก็ขยับเข้าไปอัตภาพหน้าก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปในที่สุดปฏิรูปประเทศที่เรามีความสนับสนุนใหญ่ที่จะเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นไปตามบุญญาบารมีที่เราอบรมจงังสมมันเป็นการเสริมสร้างนิสัยบุญญาบารมีเร า, าสามารถตามท่านไปได้ค้นทุกข์ตามท่านไปได้ไไดเราละกนสมควรละ